ในโลกรสูตรเลยนะหน้า183หน้า182ก็ว่าไปเมื่อวานละในหน้า183กับหน้าขออภยัยหน้า183เนี่ยนะมันเลยไปจนถึงหน้า185นะคือ มันจะมีอีกหน้าหนึ่งอ่ะที่ที่เนื้อหามันจะซ้ำกันคือจริงๆน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าอย่างเช่นในหน้าหนะึ่งร้อยเก้าสิบแปดนั่นนะข้อไอ้ที่เรียกว่าข้อทุติยะอาปริชานสูตรอ่ะไม่น่าจะเป็นชื่อสูตรนั้นหรอกเพราะว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องไม่ได้กำหนดรู้อะไรเลยนะคนละใน จริงๆแล้วพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฎเนี่ยนะถ้าเป็นบาลีต้นเดิมแล้วไม่ได้บอกมีชื่อสูตรเอาไว้ตรงๆหรอกนั่นนะไม่ได้บอกมีชื่อสูตรมีอะไรเขาจะเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อไปหมดเลยนะไม่ไม่ได้กําหนดชื่อสูตรอะไรตรงๆแต่ถ้าเป็นของมหาจุฬาเนี่ยจะบอกชื่อสูตรไว้ค่อนข้างชัดเจนตั้งชื่อสูตรตั้งชื่อสูตรชัดเจนแต่นี้ก็พยายามมาตั้งตามฉบับอื่นๆด้วยอะไรด้วยแต่ว่าจะเป็นฉบับบาลีของ มหา芒果แล้วไม่มีไม่มีชื่อสูตรเลยนะมังเล่ไม่มีชื่อสูตรเลยูปลเป็นคนตั้งชื่อนะครับไม่ก็มีแนวการตั้งชื่อตั้งชื่อตามอัตกถาอัตกถาตั้งชื่อสูตรให้ก็มีโดย ท, ท, ทั่วไปบางทีเขาก็เรียกว่าอย่างอังคุตระนิกายเนี่ยโดยโดยมากไม่ค่อยเรียกชื่อสูตรเรียกตามปันนาฏไปเลยวันนี้อยู่ปันนาฏอะไรเนี่ยนะก็ก็เรียกตามปันนาฏไป เนื้อหาในโลกสูตรเนี่ยนะข้อหนึ่งร้อยห้าสิบหกกล่าวว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งโลกโลกตัวนี้เป็นชื่อของสังขารโลกนะแสดงเหตุเกิดของสังขารโลกแสดงความดับแห่งสังขารโลกนั่นเองเธอทั้งหลายจงฟังก็ความเกิดแห่งสังขารโลกเนี่ยเป็นไงนะ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 เรียกว่าสังขารโลกเนี่นะเกิดด้วยอาการอย่างนี้ในทวารหูก็เหมือนกันนะความเรียกว่าเกิดความเกิดแห่งโลกทางหูความเกิดแห่งโลกทางจมูกความเกิดแห่งโลกทางลิ้นความเกิดแห่งโลกทางกายแล้วก็ความเกิดแห่งโลกทางใจ น, นี่นะก็คือโลกที่ที่เกิดขึ้นเกาะตัวขึ้นในทวารหกเนี่ยมันก่อตัวกันยังไงนันะนะส่วน ข้อ156ที่กล่าวไปทั้งหมดนั้นอ่ะเป็นการกล่าวทุกขศัตร์กับสมุทัยศัตรีแล้วเนี่ยนะเป็นการกล่าววัดตะกระถาโดยบริบูรณ์ว่าสังสารวัฏเนี่ยเป็นไปอย่างนี้แหละเนี่ยนะจากการไหนก็ช่างเถอะอดีตการโลกทั้งหลายที่เกิดก็เกิดอย่างนี้อนาคตต่การต่อไปที่จะเกิดโลกเนี่ยนะก็เกิดด้วยเหตุเหล่านี้เพราะฉะนั้นความเกิดแห่งโลกคือสังขารโลกที่เรียกว่าหมายถึงอุปาทานขันห้าเนี่ยนะ คือโลกอันนี้จะนับหนึ่งก็ได้ใช่ไหมเรียกว่าสัตว์ทั้งหลายดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารจะเรียกสองก็ได้คือนามรูปเนี่ยนะจะเรียกสามก็ได้คือเวทนาสามนับสี่ก็ได้คืออาหารสี่นับห้าก็ได้คืออุปาทานขันห้านับห ก, ก็ได้คืออายตนะภายในหเพราะนั่นคําว่าความเกิดขึ้นแห่งโลกอันนี้เน้นการเกิดขึ้นแห่งอายตนะภายในนั่นเอง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 ใจเนี่ยมันเป็นใจที่เป็นผลแห่งกรรมเกา่าเมื่อมีใจอันนี้เข้ามาเชื่อมแล้วก็ทำกรรมใหม่เพื่ออะไรเพื่อให้มีใจอีกต่อไปเนะเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นแห่งใจก็อาศัยอะไรก็อาศัยฉันทราคะที่ติดข้องในในธรรมรมณ์เป็นตัวที่สร้างใจต่อไปเนะเพราะฉะนั้ น, ถ, ถ, น, น ถ, ถ้ากล่าวถึงใจเนี่ยนะถามว่าเท่ากับกล่าวกี่ภูมิ ภูมิที่ปฏิสนธิจิตมีนะเท่ากับกล่าวหมดแล้วเท่ากับกล่าวแม้กระทั่งกามาวจรูรปาวจรและอรูปาวจรเนี่ยนะเพราะว่าใจเนี่ยไม่มีในภูมิเดียวคืออสัญญาสัตย์นนในแง่ของใจนี่เท่ากับกล่าวกับทุกภูมิเนี่ยนะก็ถือว่าสังสารวัตรนี้ได้กล่าวความบริบูรณ์แห่งวัตตะและว่าวัตตะนี้เป็นอย่างนี้นะส่วนความดับแห่งโลก หมายถึงดับแห่งสังขารโลกเนี่ยนะก็กล่าวว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็ความดับแห่งโลกเป็นไงนะความดับแห่งโลกนั้นคืออาศัยจากสูและรูปเกิดจากสูวิญญาณรวมธรรมะสามประการเป็นภาษาเพราะภาษาเป็นปั จ, จัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตันหาเพราะตันหานั่นแลดับเพราะสํารอดโดยไม่เหลืออุปาทานจึงดับสํารอกอันนั้นหมายถึงวิราคาวิราฆา น, นี้หมายถึงอรหัตตมรักเนี่ยนะ มันหมายถึงอรหัตตมรรคทีนี้อรหัตตมรรคจะเกิดก็ต้องเกิดโดยปฏิปทาโดยลําดับโดยข้อปฏิบัติโดยลําดับโดยศิกษาโดยลําดับแต่ตรงนี้ยกขึ้นมาชั้นสูงเลยนะว่าถ้าสำรอกวิราคะตัดฉันทราคะในในตาได้สิ้นเชิงเนี่ยตัดฉันทราคะในตาตัดฉันทราคะในสีตัดฉันทราคะในจักรวิ ญ, ญญาณในภาษาในเวทนาเนี่ยถ้าตัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้ได้เด็ดขาดอะไรดับ ตันหาก็ดับใช่ไหมถ้าตันหาดับโดยไม่มีส่วนเหลืออย่างนี้แล้วอุปาทานก็ดับเพราะอุปาทานดับเพราะจึงดับเพราะพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณาโศกกระปริเทวทุกขโทมานัตและอุปาญะจึงดับความดับแห่งกองทุกขังมวลนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี้เป็นความดับแห่งโลกโลกเนี่ยดับน่ะอย่างนี้แหละ แต่คนที่คิดจะดับโลกเนี่ยนะก็ต้องเห็นว่าโลกมันร้อนใช่ไหมจึงจะดับแต่ถ้าโลกมันเย็นอยู่แล้วไม่รู้จะดับทําอะไรใช่ไหมเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่เรียกว่าสัพพะโลเกอนาพิระตะสัญญานี้ต้องต้องดีถามผู้การว่าวิธีเจริญสัพพะโลเกอนาพิระตะสัญญานี้เจริญรรยังไงเจริญยังไงผู้การมันมันไม่น่าเพลินเพลินยังไงโลูกนี่ โลกคือตาหูจมูกลิ้นก า, ายใจเนี่ยนะทำไมมันจึงไม่น่าเพลิดเพลินถ้าเราจะเห็นว่ามันไม่น่าเพลิดเพลินเนี่ยจะเริยนยังไงสัสพรโรเก อ, อนานะพิริตาสัญญานีา่หมายความถึงเรา ไม่เพลิดเพลินในอายจตนะภายนอกโดยอายจตนะภายในด้วยนะครับเริ่มตั้งแต่เห็นง่ายง่ยก่อนคืออายตนะภายนอกเนี่ยเราไม่ควรก็ไปเพลิดเพลินเพราะว่าเห็นโทษเห็นภัยของของรูปสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะส่วนอายตนะภายในก็เหมือนกันนะเราก็ไม่ควรก็ไปเพลิดเพลินเพราะว่า สิ่งเหล่านี้ก็มีมีมีแต่ทุกข์มีแต่โทษนะครับเนี่ยก็ไม่ไม่เที่ยงนี่นะครับทั้งสองอย่างก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ไม่เที่ยงแล้วก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรไปเพลิดเพลินโดยพิจารณาโดยหมั่นพิจารณาเห็นความาเป็นโทษเป็นอาทีนวะของสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเห็นบ่อยๆนะครับก็ก็ก็จะเบื่อหน่ายในในโลกเหล่านี้นะ ก็ถ้ากล่าวถึงรูปายุตนะเนี่ยนะสิ่งที่เราเข้าไปเห็นทั้งหมดเนี่ยมันน่าเพลิดเพลินตรงไหนนะะสมมติถ้าไปมีบ้านหลังนั้นที่เราถ้าสมมติรูปายุตนาคือบ้านนะนี่นะให้เรานะแต่ว่าเราต้องเช็ดปัดกวาดเช็ดถูวันละสามรอบเนี่ยนะเนีย่ยเห็นเขามีธุรกิจนะเราต้องไปประกอบธุรกิจอันนี้เองเลยนะ เห็นเขาขับรถเนี่ยของเราต้องไปขับแบบนั้นทั้งหมดนะเขาผ่อนรถเราต้องไปผ่อนรถด้วยอย่างนันสมมตินะไปเห็นในอายตนะทั้งหลายแหละที่ที่สร้างปัญหาเดือดร้อนเห็นเขาผสมปูนเราต้องไปผสมปูนด้วยนะถามว่าทุกอันทุกอันเหล่านั้นนั้นทั้งหมดเนี่ยน่าเพลิดเพลินไหมเห็นถนนเนี่ยเราต้องไปเป็นช่างเป็นกู้สร้างถนนเนี่ยถนนจะน่าเพลิดเพลินขนาดไหนแต่เห็นการผสมปูนสร้างตึกเนี่ยนะเราก็เป็นพนักงานที่ต้องไปผสมปูนอยู่นั้นหรือไปเป็นเจ้าของโครงการที่ ถ้าทุนสูงก็ ย, ยังชั่วหน่อยนะถ้าทุ น, นน้อยๆทำไงอะ่ะกูอีนังทานังทุกขังโลเกนเนี่ยนะใครมีนี่ก็เป็นทุกข์มา ก, ก น, นะจริงก็ ท, งทำหน้าไม่ทุกข์อะ่ะึกว่าถูมุดว่าเราจะเห็นง่ายง่ายที่สุดนะสิ่งที่เพลิดเพลินนะคือไอ้การเราเล่นทั้งหลายเนี่ยนะว่ามันแสนสนุกเพลิดเพลิอพอนอะไรอันเซาหรือว่าสีแสงเสียงงานต่างๆนี่โอ้ยมัน ม, มันพิลึกมันน่าดูนะ หรือว่าจะเป็นละครก็จะเป็นภาพยนตร์ดีที่มันวิจิตตการตานี่นะแต่ท่านรู้ไหมว่าเบื้องหลังเนี่ยนะโอ้โหเบื้องหลังกว่ามันจะเป็นอันนั้นได้เนี่ยนะมันมาด้วยหยาดหเหงื่อและหยดน้ำตาทีเดียวนะผมเห็นรูปอยู่รูปหนึ่งนะผมผมสะท้อนใจเลยครับคือเวลานี้เนี่ยเขาแข่งขันกันที่จะแข่งกีฬานะในในเรื่องถ้าถ้าเาเรียกอะไรเนะี่ย ที่เป็นเป็นอารบิกอะไรนะที่มันข่อยโหนทั้งหลายเนี่ยนะฮะในยิมนาสติกทั้งหลายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาฝึกกีฬ า, านี้ได้ตัวต้องอ่อนครับตัวต้องอ่อนอมผมก็ไปเห็นก็ถ่ายรูปมาเนี่ยเพราะว่าเมืองจีนเนี่ยเขาเป็นเป็นประเทศที่เขาประสบความสําเร็จในกีฬากีฬาด้านนี้มากผมก็เห็นก็ถ่ายรูปว่าเขาจับเด็กมายังไม่ค่อยยังเด็กยังไม่ไม่ไม่โตเท่าไหร่เลยจับมันดัดหลังครับดัดหลังไหมจับมันงายขึ้นมาอีกแล้ะ แล้วมันร้องอ่ะก็แล้วมันหน้าตา ม, มันาแค่ใครร้องให้เงั้ยนะมันจับดัดขึ้นมาวารามิตรวรามิตรข้ น, น, นมาเนี่ยโอ้ยเราเห็นแล้วนี่นะครับเสร็จแล้วนะเวลาพอครับเขาเขาเข า, เขาไปเล่นได้นี่นะก็ชื่นชมเขาโอ้ยเด็กคนนี้เก่งมากน่ารักตมมือมีเกียรติเนี่ยนะชื่นชมใหญ่เลยนึกนี่มันนี่เป็นอาสาทาโอ้ดีมากเหมือนกับพวกนักมวยทั้งหลายแลยนะตอนที่ชกชนะแล้วใช่ไหม แต่ถูกซ้อมมาเนี่ยนะขนาดไห น, เ, นเดือดร้อนโอ้โห و, กว่าจะชัยชนะอันนั้นหรือนะักกีฬาฟุตบอลทั้งหลายเนี่ยนะที่วิ่งตามฟุตบอลเนี่ยกี่ร้อยกิโลเมตรมาแล้วเนียนะวิ่งตามเนี่ยนะมีลูกเดียวอะ่ะที่วิ่งกันตามทั้งสนามเนี่ยวิ่งชั่วโมงหนึ่งก็หลายหลายหลายสิบกิโลเมตรแล้วใช่ไหมแล้วฝึกซ้อมมันจะเท่าไหร่เนี่ยนะกว่าที่จะไปขนาดนั้นเนยหมดเหงื่อไปกี่ถังแล้วที่ที่จะได้ขนาดนั้น คือถ้าถ้าเราคิดในลักษณะอายตนะทุกอายตนะที่เราเห็นน่ะถ้าเราต้องไปเป็นแบบนั้นทั้งหมดนะที่ต้องไปรับใช้สีเหล่านั้นนั้นทั้งหมดถ้าไปเห็นสีทาบ้านปั๊บเราต้องไปทาสีเองน่ะถ้าเห็นบ้านเราต้องไปสร้างเองเนี่ยนะถ้าเห็นพื้นเราต้องไปปปดกวาดเช็ดถูเองน่ะอายตนะเหล่านั้นนั้นจะน่าเพลิดเพลินสักเท่าไหร่เนี่ยนะก็ไม่มีหน้าเพลิดเพลินสักอันเลยนะ น, นี้แกล้งถามคุณมุนชูเนี่ยท่าที่นี่เขายกให้เอาไหมเอาไปทำอะไรน่การบอกว่าแค่นึกว่าได้ก็ทุกแลว้ว <c oughs> กันก็เชื่อถามอาจารย์นิดดูนะถ้ามีสักห้าสิบร่จะทำโครงการอะไรเนะี่ยก็ผมเคยนึกเลยเหน็น <c oughs> ไหมโอ้ยรีสอร์ทเรานะถ้าจะเป็นรีสอร์ทชั้นหนึ่งนะเราต้องสร้างห้องอีกประมาณ3ามสิบห้องนะแล้วต้องใช้เงินอีกประมาณสามสิบล้านนะ นแล้วก็เราจะมีแขกมีเครื่องเฟอริเจอร์มาอย่างนั้นนะเราจะต้องมีหลังคาอย่างนั้นนะต้องมีสีอย่างนั้นนะโอ้แค่คิดก็บอกไปใครจะขึ้นนั้นแค่คิดอย่างเดียวเนี่ยยังไม่ทันไรเลยยังไม่ได้ไปจ้างเขายังไม่ได้มาสร้างขอสร้างอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับก็นั่งเถียงกันแล้วครับตรงไหนดีจะสร้างตรงไหนดีนั่งเถียงกันแล้วครับ <S <S ก็ไม่ไม่ใช่ง่ายเลยนะ อย่างผู้จัดการทุกการครับแล้วก็ก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะอายตนะทุกอายตนะเนี่ยนะมันมีไรหน้าเพลิดเพลินสักเท่าไหร่นี่นะคือถ้าถ้าแต่ถ้าเรามองคิดในลักษณะว่าไปสวยอาัศธาอย่างเดียว่มันไม่เท่าไหร่หรอกก็ก็น่าดูออกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าจะต้องไปบริหารอายตนะนั้นๆน่ะ น, นะ เช่นไปบริหารสีเนี่ยนะเป็นเจ้าของสวนย่อมเนี่ยนะดูแลสวนย่อมทั้งหมดเจ้าของสีทั้งหลายอะ่ะที่จะต้องไปดูแลสีสันในโลกนี้ที่มันมีอยู่มันจะเป็นภาระขนาดไหนอย่างพวกนักร้องเพลงทั้งหลายเนี่ยนะกว่าจะมาร้องเพลงได้แบบนั้นเนี่ยร้องมาคอแหบคอแห้งไม่รู้กี่แห้งกี่อะไรแล้วก็ไม่รู้เขาบอกว่านักร้องบางคนเนี่ยนะมันบางงานเนี่ยพอเสร็จงานปับ๊บมันพูดไม่ได้เลยเนยนะีต้องสมมติว่าต้องพักฟืนเลยนะมันใช้เสียงมากขนาดนั้น ก็มันจะไม่ใช่นะดูสังเกตดูนะเสียงนี่โอ้โหใช่กันมากมายขนาดนั้นพันในอายตนะแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยอย่างสมมุติแม้กระทั่งอายตนะคือสีคือกลิ่นคือรสคือโพตภาภะเนี่ยอาหารอร่อยอร่อยนะไปดูกุ๊กเขางเหเหงื่อแตกพลัก พ, กพักอยู่ในห้องนั้นนะนะอาหารที่เราอาาร่อยอรอยนะเบื้องหลังของอาหารนั้นถ้าเราต้องไปประกอบเองเนีกุ๊กนี่ก็เดือดร้อนแล้ผักอันนั้นกว่าจะรดน้ํามาเป็นผักอันนั้นนะแต่ละอันแต่ละอันมันจะเหน็ดเหนื่อยทั้งนั้นเลย แม้กระทั่งเสื้อผ้าที่เรานุ่งห่มนะถ้าเราย้อนไปถึงพวกพนักงานตัดเย็บเป็นต้นเนี่ยเขเดือดร้อนในส่วนนั้นๆเพราะถ้าถ้าพิจารณาโดยรอบครอบจริงๆอ่ะไม่มีอะไรน่าเพลิดเพลินเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะเป็นเป็นความทุกข์อย่างยิ่งนะกว่าจะมีสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาหรือถ้าถ้าว่าเป็นบุคคลเนี่ยนะแต่ละคนแต่ละคนที่มานั่งอยู่ขนาดนี้นะถ้าพูดถึงชีวิตที่ผ่านมาเนี่ย กว่าจะมามีอณาอายตนะอย่างนี้ขึ้นได้เนี่ยนะบริหารกันขนาดไหนใช่ไหมให้ข้าวอย่างน้อยวันละสามมือ้ออาบน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งอย่างอื่นอีกแปรงแปรงฟันวันละสองครั้งเลยนะโอ้ยอาบปัดกวาดเช็ดถูเสื้อผ้าซักโอ้สารพัดนะเสร็จแล้วในที่สุดเป็นยังไงเนะี่ยตายอยู่ทีนะ่ไหนไม่รู้ก็ตายอยู่วัดไหนนาะเนี่ยนไปอยู่วัดไหนดีเนาะเนี่ย ใจบอกจัดรายการที่ยุนเนื่ยคนฟงังให้สบายพันธาเราพิจารณาโดยรอบคอบในแต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ย ไ, ไม่มีอะไรที่ไม่ไม่น่าเพลิดเพลินะนะเนี่ยคำว่าไม่น่าเพลิดเพลินเลยแต่ละอันแต่ละอันเนี่ยหมายถึงว่าทุกอันเนี่ยมีทุกมีโทษทั้งนั้นะนะเนี่ยจำนวนคุณหมอเขาว่า ถ้าทองหนึ่งหนึ่งเส้นที่เราห้อยอยู่เนี่ยนะมันผ่านมากี่ศพแล้วว่านะที่ที่มาห้อยหอยขวนแขวนเนี่ยนะถ้าเป็นทองอ่ะนะผ่านมากี่ศพแล้วกว่าจะมาถึงมือเราเนี่ยอผู้กการเล่าว่าที่ดินเนี่ยน ะ, ะโฉนดหนึ่งอันเนี่ยผ่านมากี่เจ้าแล้วกว่าจะมาถึงเนี่ยนะมีบันทึกลงมาหมดอ่ะนะผ่านมาแล้วผ่านเล่าผ่านแล้วผ่านเล่าเ น, นี่ย ที่ดินที่แปลงหนึ่งเนี่ยนะโอ้ยผ่านไม่รู้เท่าไรอย่างวัดเนี่ยเขาทำเนียมเจ้าวาดก็จะขึ้นมาเลยแสดงว่าผ่านมาเยอะแล้วเนี่ยนะผ่านมามากขายหมดตายหมดหม ด, ด้วยนะถ้าเป็นเจ้าของที่ทั่วๆไปก็ขายกันเกือบหมดเจ้าวาดก็รุนบกเบิกทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็เหลืออัธิธาตุอยู่ตรงโ น, น, งน้นเหมือนนันนะเขาจะให้ที่สักหน่อยหนึ่งอะไว้เก็บกระดูกก็มีเท่านั้นแหละ สังขารในโลกมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสร้างมาเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนสิ่งนั้นที่สุดจะต้องแตกทำลายเนี่ยนะมันเหมือนอะไรเหมือนก็แกะสลักน้ําแข็งไงนะกว่าจะแกะกะสลักน้ําแข็งให้สวยงามนี่ก็เหน็ดเหนื่อยเต็มทีแล้วใช่ไหมแล้วอายุการแกะสลักน้ําแข็งอันนั้นจะนานขนาดไหนเนี่ยนะเมื่อแกะสลักถึงที่สุดแล้วนะก็ต้องละลายไปในที่ที่สุดชันใดสังขารทั้งหลายเนี่ยถึงจะแกะมาดีขนาดไหนก็ต้องแตกทำลายเป็น เป็นที่สุดอันนี้ถือว่าเป็นธรรมดาของสังขารและโลกทั้งมวลทีนี้เมื่อโลกมันมีทุกมีโทษอย่างนี้สำหรับผู้ที่เข้าไปพิจารณาเนี่ยบุคคลเหล่านั้นจึงต้องการจะดับโลกเไหมโลกภายนอกที่มันร้อาร้อนเดือดร้อนขนาดนั้นเนี่ยเพราะมีอะไรเพราะมีโลกภายในไงโลกภายนอกที่มันทุกขนาดนั้นนะถ้าไม่มีโลกภายในเนี่ยนะนจะทุกข์กมันไหม ถ้าไม่มีตาจะทุกข์กับสีไหมถ้าไม่มีหูจะทุกข์กับเสียงไหมถ้าไม่มีจมูกจะทุกข์กับกลิ่นไหมไม่มีรถถ้าไม่มีลิ้นจะทุกข์กับรถไหมไม่มีกายจะทุกข์กับโภตาภะไหมไม่มีใจเนี่จะต้องทุกข์กับเรื่องราวทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกไหมมันก็ไม่มีอยู่ลยแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นบุคคลที่เห็นภายในโลกก็เห็นภายในเหตุที่จะสร้างโลกเหล่านั้นเพราะฉะนั้นปฏิบัติยังไงนะ จ, งจะดับจะดับโลกได้ องก็บอกว่าเออการกําจัดฉันทราคะในสิ่งเหล่านี้นะหรือที่เรียกว่าความดับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีส่วนเหลือนะนั่นเป็นความดับแห่งโลกเนี่ยนะถ้าดับแห่งโลกได้ก็ถือว่าเป็นเป็นความสุขอย่างยิ่งเนี่ยก็ถ้าเปรียบธรรมดาทั่วๆไปนะถ้าดับโลกในนรกได้นี่ก็สุขระดับหนึ่งใช่ไหมถ้าดับโลกเดรฉ า, านได้ก็ทุกเออก็สุขอีกระดับหนึ่งดับโลกแห่งการเกิดเป็นเปรตได้ก็สุขไประดับมากแล้วนะ ถ้าดับโลกคือความเป็นมนุษย์ก็สุกไปอีกเนี่ยนะถ้าดับโลกคือการเกิดเป็นเทวดาก็สุกอย่างยิ่งขึ้นไปอีกนะดับโลกของมนุษย์อยู่แต่เทวดาโลกของเทวดา lineage, ก็สุกอย่างยิ่งใช่ไหมถ้าดับโลกของเทวดานะอยู่แต่ระดับพรหมก็สุกอย่างยิ่งถ้าดับโลกของรู ป, ปพรหมเหลือแต่รูปประพรหมก็ถือว่าเป็นสุกอย่างยิ่งถ้าดับพบทั้งมวลจะสุก ข, ขนาดไหนนะถ้าหากว่าเป็นผู้ที่สิ้นพบเนี่ยนะถ้าสิ้นพบก็ถือว่าสิ้นอะไรด้วยสิ้นชาติถ้าสิ้นชาติก็สิ้น ชราและมรณะถ้าสิ้นชรามรณะก็สิ้นวัตทุทุกทั้งมวลนั่นนะแต่ว่าปกติสัตว์ทั้งหลายเห็นโทษมากหรือเห็นอสศาธะมากนั่นนะก็ผู้ที่เห็นโทษเนี่ยมีปริมาณ น, น้อยนะักในอุปาทานขันเหล่านี้นะคนที่จะเห็นโทษของอุปาทานขันจริงๆแล้วมีไม่มากเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายมี มีอะไรเป็นที่มายินดีคําว่าอะไรนี้เป็นชื่อของรูปเสียงกลิ่นรสและโภธภัพปกติแล้วสัตว์เนี่ยมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรเนี่ยนะก็ติดข้องในอะไรคือกามทั้งหลายมันโดยที่สุดแม้แต่เทวดาทั้งหลายก็ยินดีในอะไรคือรูปเสียงกลิ่นรสโภธภัพนั่นเองเนี่ยนะมันก็ต้องเห็นโทษเนี่ยนะการที่จะเห็นโทษได้ก็พยายามขี้ถึงเบื้องหลังของสิ่งนั้นๆให้มาก มาวันลบไม่ชื่นชมสถานที่แห่งหนึ่งที่อินเดียนะก็บอกว่ามันจะดีตรงไหนครัว่างั้นสร้างเสร็จแล้วช่างเนี่ยตาบอดหมดดีตรงไหนเนี่ยนะโมนาช่างถูกฆ่าช่างแกะแกะทั่วๆไปเนี่ยตาบอดหมดหรือถูกตัดมือไปหมดถูกประหารชีวิตกันหมดเนี่ยนะมันจะสุขตรงไหนว่างั้นอย่างไปที่เจดีใหญ่ๆสร้างอิฐหินก้อนโตๆเนี่ยนะธาดกรรมกรจะตายขนาดไหน กว่าจะได้กันขนาดนี้ไม่เห็นมันดีตรงไหนนะวันงี้คือแสดงว่าคิดถึงเบื้องหลังการถ่ายทําของวัตถุนั้นนั้นมากนะก็เลยนี่นะถ้าเรามองว่าเออแต่ละคนนี่เออที่มาได้นั่งกันขนาดนี้บริหารมาเนหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยนะดูแลเป็นภาระมาขนาดไหนจ ะ, จะเจริญเติบโตได้เท่านี้เนาะนั่นก็ไม่ใช่ของง่ายถ้าไปเห็นบ้านหลังงามๆถูสะอาดๆเนี่ยนะดูคนถูมันจะเหเงือแตกขนาดไหนเห็นถ้วยชามสะอาดๆเช็ดล้างกันขนาดไหนกว่าจะได้ขนาดนั้น ต, ตายเท่าไหร่ก็ไม่รู้นเนี่ยนะโตมาขนาดนี้เขาบอกศพกุ้งไปเท่าไหร่ะใช้ศพปลาไปเท่าไร่แล้วเนี่ยหมอยุพินใช้ศพเป็ดไปเท่าไหรแล้วงั้นก็ถามดูหมดไป็ดไม่รู้กี่ศพแต่กี่ศพกว่าจะพัฒนาได้ขนาดนี้นะพูดอย่างนี้มันน่าจะเบื่อกันบ้างนะของมาก็ยังว่านะก็พูดตามพระพุทธเจ้าก่อนสักวันหนึ่งก็ต้องเห็นแบบพระพุทธเจ้าให้ได้นะ สักวันหนึ่งนะคุณมินชูนะเนี่ยนะนี่แหละถ้าคิดแบบนี้บ่อยๆจะเบื่อไหมเ อ, อ่อคือถ้าสำคัญที่สุดนะวันนี้ก็ขึ้นไปที่พระธาตุก็สนธนากันว่าที่สำคัญเนี่ยมันอยู่ที่การตั้งจิตถ้าตั้งจิตจะเห็นโทษสิ่งใดนะมันจะเห็นโทษสิ่งนั้นมากสมมติถ้าเราตั้งจิตว่าจะไม่ชอบอะไรนะเอาเอาเป็นสักอย่างหนึ่งก่อนเถอะ สมมุตินะถ้าเราบอกเราไม่ชอบแก้วน้ําอันเนี้มันไม่ดีหนึ่งครั้งแล้วนะมันไม่ชอบไปเยอะแล้วนะครึ่งหนึ่งไปแล้วมันไม่ดีบอกมันเลวมากมันไม่ดีมันเลวมากนะนะย้ําอยู่อย่างนี้สักสิบวันเถอะมันแทบไม่อยากหันหน้ามองไอ้แก้วน้ําอันนี้เลยมันต้องเกียดขนาดนั้นนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะเห็นโทษอุปาทานขันห้าเนี่ยจะต้องหมั่นมาใคร่ครวนว่าอนะเจริญอันนะอาทีนว่าสัญญาใช่ไหม หมอวันลบมาที่บายบอกกายนี่มันมีทุกข์มากมันมีโทษมากมันเป็นที่ร่างเป็นที่ตั้งแห่งโรคต่างๆโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคโรคฟันโรคปากโรคศีรษะโรคคอโรคอะไเยอะขนนี้มีโรคอะไรบ้างที่อยู่เนี่ยก็คือจับเธอะส่วนไหนมั่งที่ไม่มีโรคนะจับผมโรคผมจับขนโรคคิ้วไงนะนะโรคขนตาโรคดวงโรคคราวโรค ขนตานี่มีนะโยมคนหนึ่งเขาต้องถอนขนตาเป็นประจําเลยนะผูการธนัดก็ถอนประจำโยมคนหนึ่งที่มาจากอังกฤษ ก, ก็ถอนประจำํำนะไฮแลนดะ์นะเขาจะถอนตาเขาจํานั่งนั่งเขาต้องถอนขนตาแล้ว <c oughs> มันคันมากเลยนะโรคขนตาผิวหนังก็โรคผิวหนังอีกนไะปเปิดวิทยุฟังหมอผิวหนังอนะอธิบายโรคผิวหนังโอ้โรคผิวหนั ง, อ, นงอีกก็เรื่องราวใหญ่โตเลยนะเรื่องใหญ่มากเลยโรคผิวหนังเนะี่ย นะแล้วก็ยาแต่และกระปุกแต่และตลับนี่ก็โหสดเงินทั้งนั้นแล้วก็โรคฟันอี ก, ก น, นะเขาต้องเขามีคำถามว่าเอ๊ะฟันนี่มันอะไรกันะข น, นะจึงขนาดมีแพนย์หมอฟันต่างหากเป็นเรื่องไปอีกคณะหนึ่งเลยนะมันใหญ่ขนาดไหนไม่ทราบว่าผูดหมอฟันหลับไปแล้วไม่เป็นไรท่า <c oughs> นเอเกียวกับโรคทั้งหลายเนี่ยที่มีอยู่ไล่ส่วนไหนบางที่ไม่มีโรคอ่ะ มันเป็นที่ตั้งแห่งโรคทั้งนั้นอ่ะท่า น, นั่งคิดอยู่แบบนี้บ่อยๆมากๆอ่ะนะแล้วก็อันนี้โรคทางกายก่อนใช่ไหมแล้วมีใจอ่ะโรคเจตสิกมันเข้ามาแทรกไงราคาเจอะโลภะเจ ต, ส, เจ ต, ส, เจตสิกโมหะเจตสิกถีนมิทธะเจตสิกโรคอ่ะนะคือโรคคืออากุศลเจตสิกมาแทรกอะโลภะมูลจิตมีมีผัสสะที่เป็นอากุศลมีเวทนาที่เป็นอากุศลมีสัญญาที่เป็นอากุศลมีมนณิกา ร, รที่เป็นอากุศล อันนั้นมีมา n ะเกิดด้วยเกิดมีทิฏฐิเนี่ยนะมีอะฮีริกอาอโนตปาเนี่ยนั่งไล่เพิ่มจะเบื่อแม้ก็ทั้งความคิดด้วยนะเพราะมันมีโรคจิตอีกต่างหากอันนะั้อากุศลที่เกิดร่วมกับจิตเนี่ยนะเพราะในในบรรดาบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเป็นโรคเป็นรังแห่งโรคเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ทั้งหมดอันท่าหากว่าบุคคลที่เห็นโรคทางกายแล้วก็โรคทางทางจิตเนี่ยนะโรคของความคิดทั้งหลายก็จะเบื่อหน่ายใน ในานามรูปหรือว่าเบื่อหน่ายในอุปาทานขันท่าเพราะว่าไอความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดจากวัตตน์นั่นแหละเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์จากวตะคือสิ่งที่บริสุทธิ์จากวัตะเนี่ยนะวตะคือสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นไอความบริสุทธิ์เนี่ยคือสิ่งที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นถ้าคิดเห็นภัยในวัตตะมากขนาดไหนนั่นเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์คืออสังคตธรรมทั้งหลาย เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดที่ปรารถนาความสงบประงับจากวัตตาทั้งหลายผู้นั้นพึงตามเห็นภัยของอุปาทานขันท่าเถิดการตามเห็นภัยแห่งอุปาทานขันท่านะถ้าใส่ชื่อเป็นญาณก็เรียกว่าพะยะตูปฐานญาณเนี่ยนะตามเห็นว่าอุปาทานขันท่าเนี่ยมีภัยมากนี่ยนะเพราะแต่การเห็นภัยนี่ปัญญานะเข้าไปเห็นนี่ยนะถ้าไม่มีปัญญาก็เข้าไปไม่เห็นอยู่แล้ว อีกสูตรหนึ่งกล่าวว่าดูก่อนที่สูตรทั้งหลายเมื่ออะไรมีเพราะความยึดมั่นอะไรถือมั่นอะไรจึงมีความสำคัญตนว่าประเสริฐกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขายึดถืออะไรจึงมีมานะนะคำถามแบบนี้ทำไมมันสำคัญตัวเองนักหกนาเนี่ยนะมันอาศัยอะไรเป็นที่ตั้งแห่งความสำคัญตัวว่างั้น พิสูจทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมะของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นมูลมีพระองค์เป็นรากเหมือนกันเถอะมีรากฐานเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจักสุมีความยึดมั่นจักสุคือมั่นจักสุจึงมีความสําคัญตนว่าประเสริฐกว่าเขาเสมอเขาหรือเร็วกว่าเขาเอาตานะเป็นเครื่องวัดนะถ้าจะมีม า, น, านะนะแข่งเรื่องอะไรแข่งเรื่องตาบ้างว่าใครมีตาดีกว่ากัน มาสองแข่งเรื่องหูบ้างนะใครมีหูดีกว่ากันแข่งกันเรื่องจมูกบ้างนะใครมีจมูกดีกว่ากันแข่งเรื่องลิ้นบ้างใครมีลิ้นดีกว่ากันแล้วก็แข่งเรื่องกายบ้างใครมีกายดีกว่ากันแ ล, แล네 <bargain> ้วก็แข่งเรื่องใจนะใครมีใจดีกว่ากันเช่นถ้าแข่งเรื่องใจนะเอาอะไรเอาเจตสิกเป็นเครื่องวัดใครมีฉลาดใครฉลาดกว่ากันใหมเอาเจตสิกดีๆนะมาแข่งกัน ใครมีปัญญากว่ากันใครมีสติกว่ากันใครมีศรัทธามากกว่ากันก็เอาเอ า, เอาคุณธรรมทั้งหลายที่เกิดร่วมกระจายนี้เป็นเครื่องแข่งกันนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าบอกว่าแข่งเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจยเสร็จก็เมื่อมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็แข่งเรื่องสีอีกใช่ไหมเมื่อมีหูก็แข่งเรื่องเสียงแข่งเรื่องกลิ่นแข่งเรื่องรสแข่งเรื่องกายแข่งเรื่องโพธาภาเนี่ยแข่งเรื่องธรมรมรารมณ์นั้นใครจะดีกว่ากันนะใครดีกว่ากันตกลงละ เอาตามจะบอร์ดทั้งคู่นะว่าแข่งหน้าแข่งใครบอร์ดก่อนบอร์ดหลังอ่ะ น, นะเพราะะฉนั้นพรองก็เลยถามว่าคือคือจริงๆแล้วอะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงใช่ไหมแต่สัตว์ทั้งหลายก็เอาสิ่งนี้มันไม่เที่ยงอะะมาเป็นเครื่องแข่งกันใช่ไหมผมมายังนึกถึงเขามีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งมาขำมากเขาบอกว่าเป็นเรื่องหนังผีเขาเล่าว่าก็ผีเขามาจัดแข่งกันว่าใครเป็นศพที่สวยที่สุดจะได้โลงติดแอร์คอนดิชั่นมางั้นนะ สนใจไัมยก็บอกว่าส่งผีเข้าประกวดเต้มไปหมดเลยนะมีแขนขาดคาขาดตวนะว่ามีคนคนหนึ่งปลอมไปเป็นผีด้วยในวงนั้นก็บอกอันนี้งามที่สุดมั้งนั้นในโงติดแ <c oughs> <c oughs> อร์คอนดิชันนะก็จริงๆแล้วมนุษย์นี่ต่างจากอะไรจากละครเรื่องนี้บ้างนะไม่มีความต่างอะไรกันเลยก็แข่งกันเรื่องพวกนั้นแหละ <c oughs> อย่างแข่งเรื่องสีเสียงกลิ่นรสโพธภาษเนี่ยนะเ <c oughs> บื้องหลังของสีเสียงเหล่านั้นนะคืออะไร ก็คือเนื้อคือเลือดคือเอ็นคือกระดูกคือเยื่อในกระดูกคือหัวใจตับไตพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าก็หยิบยกสิ่งเหล่านั้นมาประกวดกันมาแข่งกันนะเสร็จแล้วก็แข่งกันตายแข่งกันมาก็ตายกันทั้งคู่นะนะั่นแหละก็อุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนไอ้ไอ้มานะทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแวงกันนะเขาก็อุปมาว่าไก่ที่มันอยู่ในสุ่มเนี่ยนะถ้าขังไว้สองตัวนะมันมีมานะกันเสร็จแล้วมันก็ โอโหตีกันเกือบทั้งคืนเลยนะียเช้ามาเขาเอาไปต้มทั้งคู่เลยนะ่ทั้งสัตว์ทั้งหลายก็ลักษณะนั้นเนี่ยนะแข่งกันชิงดีชิงเด่นกันนะนะท้ายที่สุดก็ก็ตายด้วยกันทั้งหมดเนี่ยนะพนะระองค์ก็เลยพูดถึงความจริงเพื่อที่จะได้เลิกเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นที่ตั้งแห่งมานะสะทิก็ถามว่าจากสุเที่ยงหรือไม่เที่ยงพิกษุก็บอกไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ยึดมั่นสิ่งนั้นแล้วจะพึงมีความสำคัญตนว่าเป็นผู้ประเสริฐกว่าเขาเสมอเขาหรือเลวกว่าเขาบ้างหรือหนอไม่ใช่อย่างนั้นพระเจ้าค่ะ